ขอความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายใต้ร่มพระโพธิยาณได้นำเสนอเรื่องบารมีสืบต่อกันมาตามลำดับพอมาถึงบารมีที่สำคัญคือเวขาบารมีที่ท่านได้ให้นิยามความหมายไว้ว่ามีความเป็นไปในอาการเป็นกลางเป็นลักษณะ แต่ว่าอุเบกานั้นท่านจำแนกแสดงไว้เป็นสิบระดับด้วยกันวันก่อนได้พูดถึงฉลังคู่เบกขาคเบกขาทำใจเป็นกลางไม่ปล่อยให้เกิดความยินดียินร้ายหรือกล่าวโดยสรุปก็คือไม่ให้เกิดความกำหนัดเกิดความกัดเคืองเกิดความรุ่มหลงเกิดความหมกหมาว เวลากระทบกับอารมณ์ซึ่งผ่านมาทางประสาทสัมผัสทั้งห้าและการที่ใจเป็นเหนียวนึกสึกนึกถึงอารมณ์เหล่านั้นีย๋ยวตามปกติแล้วท่านจะใช้คำว่ายินดียินได้ก็แสดงว่าถ้าความรู้สึกมันเกิดกุศลขึ้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่ากุศลธรรมก็เกิดขึ้นจากการเห็นรูปเป็นต้นเช่นเดียวกัน จะเน้นพระพุทธรูปแล้วก็เกิดน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าจะยินเสียงระฆังก็น้อมรำลึกถึงพระธรรมหรือในมองเห็นพระสงฆ์หรือจีวรก็นึกถึงคุณของพระต่าไตรนึกถึงพระสังฆรัตนะนึกถึงพระอรหันต์เป็นต้นกุศลธรรมก็เกิดขึ้นกุศล อกุศลธรรมก็ลดน้อยถอยลงไปปัญหาคำว่าชจรังคุเบขาจึงหมายถึงการทำใจเป็นกลางไม่ให้เพิ่มกิเลสแต่ตะเพิ่มธรรมะก็ไม่ว่ากันประการที่สองคือพรหมวิหารุเบกขาอุเบขาที่ เกิดขึ้นในพรหมิหารทั้งสประการคุณสักเกตว่าเราจะเจอพรหมิหารได้บ่อยๆเประอะไรเพราระว่าในเรื่องของพรหมิหารนั้นมันไปครอบคลุมสรรพชีวิตทั้งหลายเอาไว้แต่ในโลกมันมีสิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตเท่านั้นเองปรหาทีตที่ถูกต้องเหมาะสมของบุคคล ก็หมายความว่าการมองคนมองสัตว์แล้วเกิดกุศลละธรรมเนี่ยมันจะต้องมีความรู้สึกร่วมคืออย่างน้อยที่สุดก็ยอมรับนับถือสถานภาพของคนของสัตว์เหล่านั้นยอมรับว่าเขาเป็นคนเขาเป็นสัตว์แล้วก็รักชีวิตถนอมชีวิตเราเองก็เป็นคนรักชีวิตถนอมชีวิตแล้วกระจายความคิดออกไปจน ครอบคลุมสรรพชีวิตทั้งหลายจนเกิดเป็นเมตตาที่มีสัตว์ทั้งหลายเป็นอารมณ์หมายความ ม, ามองสรรพชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ก็ตามด้วยความรู้สึกที่กอบไปเมตตาแล้วก็พยายามจะเรีญเมตตาจนเป็นหลักใจเป็นเรือนใจใจจะ ไม่เวียงไปตามแรงของกิเลสพราะไม่ตานั้นที่จริงมันเป็นจิตที่อยู่กลางๆคือไม่เวียงไปทางฉันทากติและไม่เวียงไปทางพยาบ า, มาทมุตติตาเองมก็เหมือนกันอยู่กลางๆคือไม่เวียงไปในทางวิหิงสาแล้ไม่เวียงไปในทางนิสยาแล้วไม่เวียงไปในทางอุณญาตคือต้องการมีส่วนแบ่ง กรุณาเขาก็อยู่กลางๆไม่เวียงไปในทางเบียดเบียนและไม่เวียงไปในทางโส ซ, ซึ่งตามปกติแล้วทำใจยากแต่หากว่าเราไม่มองให้เป็นสากลไปก่อนทีนี้พอมาถึงเบขาเนี่ยมันก็ชักจะยากหนะักยิ่งขึ้นเพราะคนจะต้องเข้าใจกระบวนการของกรรม เต้ลองสังเกตว่าตามปกติแล้วสังคมเราเนี่ยมันค่อนข้างมีปัญหาคือเป็นปัญหาโดยสภาพจิต ธ, ธรรมชาติของสัตว์โลกประเภทกามาวจระพูมะเพราะอะไรเพราะว่ามันมีความริษยาแล้วก็ความเบียดเบียนซึ่งถ้าเราลองวิเคราะห์จะเจาะลึกลงไปมันเหมือนกับสัญญาณดิบซึ่งมันมีอยู่ในสปปรรพสัตว์ทั้งหลายด้วย เวลาคนประสบภัยประสบอันตรายประสบปัญหาเช่นว่าถูกกล่าวหาถูกโจท้ง่งถูกโจมตีถูกอะไรต่ออะไรเนี่ยเรามักจะซ้าเติมก็เรียกว่ารุมกระทืบเลยเพราะอะไรเพราะว่าความรู้สึกเบียดเบียนเนี่ยมันได้อาหารมันได้โอชะแห่งรถความเบียดเบียนรู้สึกว่าตัวเองใหญ่มีพลังอำนาจที่จะซ้าเติมคนอื่น แล้วผู้ทาเองนั้นจะไม่มีความรู้สึกหรอกว่าที่จริงนั่นคืออคติคือจิตใจมันลำเอียงไปด้วยความเบียดเบียนซึ่งก็หมายความว่ามันมีอาการของโทสะกับโมหะปนอยู่แต่ในขณะเดียวกันพอคนเขาประสบความสาเร็จความเจริญก้าวหน้าเรามักจะริษยา แต่ทีนี้ถ้าหากว่าธรรมะมันมั น, ม, นมันมีกำลังมากพอนะธรรมะเกิดขึ้นภายในใจเรามีกำลังมากพอปรากฏว่าไอสาเหตุทั้งสองเรื่องเนี่ยมันเกิดธรรมะได้ทั้งคู่เช่นสมมติว่าคนประสบ ป, ปัญหาถูกใส่ร้า ย, ายถูกกล่าวหาถูกจับกุมจนถึงถูกวิสามัญฆาตกรรมเราก็ศึกษาถึงสาเหตุที่ให้เขาเป็นเช่นนั้น แต่ จ, จริงเท็ไม่รู้แหละแต่เราก็ระ ม, มัดระวังไปคืออย่าให้ถูกข้อโจท์ทวงยใยถูกข้อกล่าวหาใยาถูกก็อใส่ความและอย่าให้ถูกจับกลุ่มลงโทษวิสามัญาตกรรมต่างๆมันก็ตัดตัวเหตุที่จะทำให้เกิดความระ ม, มัดระวังอความระหววดัสระแวงต่างๆยกตัวยอย่างเช่นอภัยมุขการเที่ยวกลางคืนเนี่ย คือสภาพสังคมในบางจุดแม้แต่ในเมืองหลวงก็เถอะดึกดื่นเที่ยงคืนไปเดินบอดด้อมมองๆ อ, อยู่ใกล้สถานที่บางแห่งเกี่ยวข้องกับคนบางคนมันก็ดึงไปดึงอันตรายมาเพราะพระเจ้าจึงสอนมาตั้งแต่ปกบา ย, ยมุกเพื่ออะไรเพื่อให้คนในงดเว้นเสียคือตัดต้นตอตัดต้นตอเฉยเลย แต่ทีนี้ค น, ส, นส่วนหนึ่งเนี่ยก็งดเว้นไม่ได้แต่ว่าทำอย่างไรพอเจอตัวอย่างบุคคลที่ก็ททำความชั่วความผิดแล้วก็ถูกจับกลุ่มคุมขังลงโทษถูกตำหนิจีเจียนจนถึงก็ถูกฆ่าเนี่ยแทนที่เราจะไปซ้ำเติมเขาเนี่ยเราก็ใช้เขาเป็นบทเรียนดูเหมือนจะทำได้ง่ายแต่กลับปเป็นเรื่องทำได้ยาก าะลองสังเกตว่าข่าวคราวต่างๆที่ปรากฏรงมักจะกระโดดเข้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วก็ไปซ้ำเติมฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เราไม่ชอบปกป้องฝ่ายที่เราชอบไปซ้ำเติมฝ่ายที่เราไม่ชอบซึ่งบางครั้งบางครา ว, าราวมันก็ใช้อารมณ์ของตัวเองไม่ได้ใช้กฎเกณฑ์ในดังด้านศาสนาด้านธรรมะ เดวันก่อนมีพระนักศึกษาเป็นนิสิตนะนิสิตมหาวิท ย, ย, ทยาลัยจบเป็นยาโทแล้วมาสอบถามก็เมื่อวันที่สามสิบพฤษภาเนี่ยนะตามข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องพระจับ์บัวที่ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์แล้วก็พูดลากเลยเถิดไปจนถึงวบาร์ะยินได้ฟังมีการพูดกันในทํานองว่าท่าน พยายามตนเป็นพระหันแล้วก็มาทำอย่างนั้นไม่เหมาะไม่ควรถามว่าพระอรหันต้องทำยังไงพรนนั่งเฉยเฉยไม่ต้องรับรู้อะไรโลกเลยเลยปนะีนี้แสดงว่าเราเราไม่ได้มองอะไรใหตลอดสายสมมุติสมมติฐานตอนนี้มันจริงหมดนะท่านเป็นพระหันแล้วก็ทา่ทานพูดท่านพูดท่านเทศอย่างนั้นจริงๆแล้วถ้าเราอ่านดูก็ไม่เห็นมันมันมันมีอะไรนะะน ก็เทศธรรมดานะฮะไม่เทศแบบพูดเท่าท่านก็ดุท่านก็ตักเตือนท่านก็กให้สติโดยความกรุณาหวังดีเราลูกศิษย์อ่ะมันก็บางชีเนี่ยเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเองก็รับสัง่งตักวก่อนอานนท์เราจะกนาบแล้วกนาบอีกใครมีสาระก็อยู่ได้ไม่มีสาระก็ออกไปบางทีขณะพระส่งเสียงดังเนี่ยพระพุทธเจ้าอย่างไล่ออกจากวัดไปได้ มันอาราหันต์สมารส์สมุทฐานะฮะเพราะนรหันต์ไม่ใช่นั่งเฉยๆนะะิราหันต์นี่ท่านอยู่ด้วยกรุณาพระพุทธเจ้าเนี่ยเรียกว่าอยู่ด้วยกรุณาสมาปัฏิายานยกตัวอย่างเช่นพระบิลินทวัชชะพระเจ้าพิมพิสารสร้างกุฏิแบบกระต๊อบเนี่ยถวายท่านถึงห้าร้อยหลังเป็นการชดเชยที่รับปากว่าจะถวาย ล, วลืม ลืมไปห้าร้อยวัลืมน่าดูมกันนะฮะ ป, ปีกว่าท่านก็สร้างเฉยๆขึ้นมาท่านก็เห็นว่าราษฎรเดี๋่ไม่มีที่อยู่ ม, มีเยอะเลยท่านก็แจกแบ่งให้ราศดรคนละหลังคนละลครอบครัวละหลังครอบครัวละหลังก็อยู่กันจนเป็นหมู่บ้านเขาเรียกว่าปิลินทวชคามนั่นพระอรหรนันนะเห็นไหมพระอรหันไม่จะอยู่เฉยๆหรือพระควัมปฏิมีคราวหนึ่งมันเกิดน้ําหลาก คือต่อรอให้หลากตามปกติแล้วในรัษฎรจะเสียหายมากพืชไร่พืชสวนบ้านดวงรัษฎรเนืสัตว์เลี้ยงต่างๆจะเสียหายมากแต่ก็ขอพุทธานุญาตจากพระพุทธเจ้าขอใช้อิทธิฤทธิแยกสลายน้าให้มันกระจายใส่เพื่อเป็นน้ำเจิง่งแทนที่จะน้ำหลากเนี่ยมันเจิ่นองไปเรื่อยๆไหลไม่แรงไม่ทําลายอะไร นี่ก็เขาพระอาหารหันต์หรือพระโมคคัลลานะอย่างเงี้ยลูกอุปถาลกลูกก็โยมอุปถากถูกโจรเขาโมยไปท่านก็ใช้อิทธิฤทธิ์ไปแย่งกลับมาเลยนี่คือปฏิปทานะฮะปฏิปทาพระอาหารหันต์ทั้งหลายเพราะงั้นเราอย่าไปคิดโดยความรู้สึกว่าพระอรหันต์ต้องนั่งเฉยๆไม่ต้องทำอะไร ไม่ใช่หรอกพระอรหันต์ท่านสมบูรณ์ในปัญญาสมบูรณ์ด้วยความบริสุทธิ์แล้วก็สมบูรณ์ด้วยความการุณาพระเจ้าจึงอยู่ด้วยกรุณาสมาปฏิยานแล้วบางครั้งบางคราวเวลาอบรมพระเวลาตเตือนพระเนี่ยถ้าเราไปฟังสมนวนในพระวินัยบิดดกหรือไม่ใช่เล่นนี่นะดูน้าดูเลยบางครั้งก็เรียกว่าโมฆบุรุษการกระทําอย่างนี้ไม่ควรแก่ท่านทั้งหลาย ไม่เป็นสัพณะไม่เป็นศัพท์กิบุตรวะันในความรู้สึกเหล่าเนี่ยเราบางทีเราอาจจะไม่ไม่นึกนะฮะว่านี่คือเราดิสยาหรือเปล่าแต่เราพูดออกไปเนี่ยคือในการมีการกระทําอย่างท่านอาจารย์บัวเนี่ยเราไม่มีวาสนาหรอกเราไม่มีบารมีถึงจะไปทำอย่างนั้นเนี่ยท่านทำเนี่ยโมทนาท่านได้ไหม เพราะถ้าว่ากันตามคํามเป็นจริงและประวัติศาสตร์ของชาติไทยเนี่ยมีเวลาชาติบรรนมุมือมีมีวิกฤตการเนี่ยมันจะต้องมีพระออกมาตลอดวิกฤตการเรื่องอะไรเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมเรื่องภัยสงครามเรื่องสาธารณภัยมันก็มีพระออกมาช่วยตลอดอ่ะเพราะอาจารย์บัวที่จริงก็เป็นพระรูปหนึ่งที่แต่งออกมาในะจังหวะ ที่ท่านออกมาได้ท่านมีบารมีประชาชนชื่อถือท่านเพราะฉะนันเป็นเรื่องที่เราจะต้องมองด้วยความอนุโมทนาชื่นชมที่ว่าศาสนาอย่างน้อยบุคลากรทางศาสนาเนี่ยเข้าไปร่วมทุกร่วมสุขกับชาติบ้านเมืองแบ่งเบาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับชาติบ้านเมืองมีส่วนร่วม ก็เรียกว่าร่วมทุกข่วมสุขกัชาติปันเดชแต่ก็มีไอ้ข่าวคราวออกมาในลักษณะนี้ก็ยังรู้สึกเป็นห่วงนะว่าเวลาคนทําไม่ดีเราก็ขอโดยสารทําไม่ดีกับเขาด้วยเวลาข่าวพระทําอะไรไม่ดีก็ไปด่าว่าเขาจริงหรือไม่จริงยังไม่รู้เลยด่าแล้วหมายความเมื่อเราประพฤติวิจิตรจริตไปแล้วทั้งทั้งที่เราไม่รู้ข้อมูลนั้นจริงหรือไม่จริง แล้วก็พอพระทาดีขึ้นมาเราก็ขอโดยสารทำชั่วด้วยคือฤิษยาแต่ณะทางยกกดยกเตลนอะไรอะไรขึ้นมาก็ว่ากันไปคือคนระดับระดับเนี้ยนะ่ะระดับพระอริยะคือว่าพระพระที่เข้าถึงธรรมะมก็พู่ ง, ง่ายว่าพระที่เข้าถึงธรรมะเนี่ยท่านจะไม่ได้สนใจในเรื่องเหลอานั้นหรอก อย่างบางครั้งบงคราวพระพุทธเจา้ามีพระสง์จะเทศโปรดพวกพระญาติราชวงศ์สักยะนั่นแหละแต่ว่าเป็นอยู่อีกเมืองหนึ่งย้สือจะชื่อจาตุมานะ่ะก็สรบันดาลให้ฝนตกเพื่ออาศัยเป็นเหตุอ้างจะเข้าไปหลบฝนในรัสภาเขาละเวลาเสด็จเดินไปเสด็จเดินไปทางข้างหน้าที่เขาประชุมกันซึ่งมันผิดระเบียบ จนรวกนั้นก็ตำหนิว่าสมณะโลนไม่รู้เรื่องอะไรกฎเกณฑ์ระเบียบของสภามันเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าได้เทศเพราะถ้าเขาไม่ด่ามาอย่างนั้นมันก็ไม่รู้จะประรบเรื่องเทศยังไงก็ทรงแสดงถึงลักษณะของสภาให้ฟังจนในปัจจุบันเนี่ยเราก็นำมายกย่องกันในที่ใดไม่มีสัตว์ปุรในที่นั้นไม่ชีว่าสภา รันสภาคือที่ประชุมของคนดีมันไม่จะเอาหมาโจรห้าร้อยมาประชุมด้วยกันแล้วเรียกว่าสภามไม่ได้สภาต้องเป็นที่ประชุมของคนดีจะห่าคนก็ได้ฮะแต่ให้เป็นคนดีก็ได้กันก็เรียกว่าสภาทีนี้กําหนดเกณฑ์ยังไงว่าคนที่เป็นสัตบุรุษว่าผู้ใดพูดไม่เป็นธรรมชนผู้นั้นไม่ใช่วสัตบุรุษสัตบุรุษจะต้องลดราคาตัวสะโมห์ลงไป แต่ว่าที่รับสั่งตรงนั้นรับสั่งถึงหมดนะละละราคาโ ล, ะละาะรสสภาวะแต่ว่าในแง่ของความเป็นจริงมันคงจะละไม่ได้หรอกเป็นการรับสั่งถึงสภาที่สูงสุดแล้นั้นปัญหาตัวนี้เราจะเห็นใจมันเดินไม่ได้ัอคนทำชั่วเราก็ไปซ้าเติมเขาก็กลายเป็นผีหิงสาคือเบียดเบียดคนทำดีเราก็ไปริษยาเขา ลไม่ได้ทั้งเรื่องหนึง่งครับแต่ในจุดตรงนี้ถ้าหากว่าคนมีปัญญาลดความคิดเบียดเบียนลดความริสยาลงไปเราจะได้ประโยชน์ทั้งสองทางคือในกรณีที่ท่านทำชั่วทำผิดสมมติว่าจริงเราก็ได้ท่านเป็นแบบเปลี่ยนที่จะสำรวมระวังมุดเป็นไม่ประพฤติไม่กระทาเช่นนั้นพอท่านประสบปัญหาให้เราดูดัง แล้วในกรมีที่ท่านทำงานประสบความสาเร็จไปตียอมรับยกย่องของคนทั้งหลายเจรดิญโดยลาบยศสัรเสริญล้วก็มองท่านด้วยความชื่นชมศึกษาถ้าปรารถนาจะได้จะมีจะเป็นอย่างท่านด้วยก็ซื้อศึกษาหลักการในการปฏิบัติตัวของท่านแล้วก็ดำเนินตามไปก็ได้ประโยชน์ทั้งสองทาง ใจมันขนาดนั้นนะ่ะมันเดินก็สู่เบคขาได้ง่ายพราะเบคษา อ, อุเบคขาพรมหมลิขานเนี่ยมันอยู่ในจุดหนึ่งที่เราไม่อาจทําอย่างอื่นได้ในปรานั้นมีสัตว์ทั่วไปเป็นอารมณ์กรุณามีสัตว์ประสบปัญหาเป็นอารมณ์มุทิตามีสัตว์ประสบความสําเร็จเป็นอารมณ์แต่สัตว์บางพวกมันไปทําชั่วจนถูกลงโทษ หรือทำดีจนยั่งยืนอยู่ในสถานะตรงนั้นแล้วเราไปทำอะไรคือคือทำอะไรไม่ได้อย่างหนึ่งไม่จำเป็นจะต้องทำอะไรอย่างหนึ่ง น, นี่คือทำอะไรไม่ได้นะเช่นบางคนก็ตั้งตัวเป็นหลักเป็นฐา น, าน <im itary> มั่นคงได้ถ้าคนเดินแข็งแรงอยูด่ดีๆเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องไปประคับประคองอะไรครับแต่ในขณะเดียวกักนนี่คนถูกศาลตัดสิน จำพุกตลอดชีวิตเนี่ยเราจะไปช่วยอะไรเขามั้นทําอะไรไม่ได้เห็นไหมแพแม้เมตาก็ไม่ได้กรุณาก็ไม่ได้มุติตาก็ไม่ได้ก็ทําใจเข้าถึงกวดแห่งกรรมตามกระบวนการของกรรมที่ส่งสอนให้พิจารณาเราคนเรามีกรรมเป็นของตัวตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกําเนิ่มีกรรมเป็นเผ่าพันุ์มีกรรมเป็นที่เป็นอาศัย ใครทํากรรมบันไดไว้จะดีหรือชั่วก็ตามก็จะต้องเป็นผู้รับผลกรรมนั้นประโยชน์หลังนี่เป็นประโยชน์ที่สําคัญใครทํากรรมบันไดไว้จะดีหรือชั่วก็ตามก็จะต้องเป็นผู้รับผลกรรมนั้นเพรา ะ, ะนั้นสมมติว่าคนเขาประสบความทุกข์เราอยู่ในวิสัยที่จะช่วยได้เราก็ช่วยนะช่วยไม่ได้เราก็อุเบกขาเพราะนั้นคือเขาเป็นไปตามกฎของกรรมครับ คนประสบความเจริญก้าวหน้าเราก็ควรจะมุติตากับเขาถ้าทํามุติตาไม่ได้นะคเพราะว่ามันฤิ์เสียามาแรงได้เกินก็หลบไปอยู่ที่อุเบกขาเสียนะเขาทําดีเขก็ควรได้รับผลดีก็เป็นการเหมาะกันควรนะไม่ได้ใช้เหตุใช้การทําดีของบุคคลอื่นเป็นเครื่องมือในการทําชั่วของตัวเองด้วยแรงฤทธิ์เสี หรือสายการทาชั่วของบุคคลอื่นเป็นเครื่องมือทาชั่วของตัวเอง้วยแรงเบียดเบีย น, นไม่ได้เรื่องทั้งสองฝ่าย น, นี่คือปัญหาที่ที่ค่อนข้างละเมิดละหมิแล้วก็สังคมบางทีนี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือผู้บริหารไม่ว่าจะบริหารคณะสงฆ์หรือบริหารบ้านเมืองก็ตาม ่จะมาเป็นวิทยากรอบรมพวกเรานี้อยู่เยอะนะะแล้วก็ข้าราชการข่ายบริหารเนีราก็เตือนเขาว่าลักษณะนิสัยที่สะสมเป็นจิตสันดาลเนี่ยต้องระวังคือจ้องจะจับผิดคนอื่นจ้องได้จะควบคุมคนอื่นโดยลืมควบคุมตัวเองจ้องจะสั่งการต้องจะชี้คนนั้นผิดคนนั้นถูกเหมือนกับอะไรเหมือนกับตำรวจเนี่ยมันต้องจับแต่คนผิดหรือเหมือนกับแพทย์พยาบาลเนี่ยจ้องตรวจแต่ที่เป็นโรค มันก็เป็นปัญหาในที่สุดร่างกายเป็นลักษณะนิสัยแล้วก็ไม่ได้รู้ตัวว่าบางทีในมันผิดพลาดเราควรจะอยู่ที่ห้องอุเบกขาแต่เกิดมาอยู่ที่ห้องฤศยาหรือห้องวิหิงสาในขณะที่คนอื่นเสียประโยชน์เราก็ขอโดยสารเสียประโยชน์เขาด้วยในคนอื่นได้ประโยชน์เราก็ขอโดยสารไม่ใช่เราก็ไปอีกทางหนึ่งเราขอเสียผลประโยชน์เห็นไหมว่า ไปริษยาเนี่ยเขาริษยาคนดีคนดีก็ได้ประโยชน์ไปแล้วเราจะริษยาหรือไม่ริษยาเราโมติตาหรือไม่โมติตาเนี่ยเขาก็ดีไปแล้วแต่ว่าการที่เราไปริษยาเขาเนี่ยก็คือการทำเราเองให้ตกต่ำเป็นอาศัยความดีความดีของบุคคลอื่นเป็นเครื่องมือในการดาชั่วของตัวเองมันก็ต้องถามใจตัวเองได้อะไร ตัวเนี้ยที่ท่านสอนให้ใจไปอยู่ที่อุเบกขาอย่างที่กยกตัวอย่างให้ฟังว่าเมตานั้นเหมือนบ้านทางหลังกรุณามันห้องน้ำห้องอาหารมุฏิตามันห้องรับแขกอุเบกขาเหมือนห้องนอนเสร็จเรื่องอย่างอื่นแล้วก็ต้องนอนนะนะถ้าไม่นอนก็มีปัญหาจิตใจของบุคคลเราก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเพราะนุเบกขาในพรหมิหารจึงต้องอาศัยการเข้าใจในกระบวนการของกรรม แล้วก็ยอมรับในกฎเกณฑ์ของกรรมกลางๆทัง้งฝพ่ทั้งอไรแต่รบประโพธยญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกางามเป็นบุญในธรรมจุมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี